20-30 ปีก่อนเลื อ, อาจะนากนกว่านั้น <Yeah. S 1> เคยมีคำขวัญนะที่แพร่หลายแล้วก็ผ่านตาของหลายๆคนมาแล้วคำขวัญนันคือว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตอันนี้ก็เป็นคำขวัญที่เขาใช้รณรงค์เพื่อให้คนห่างไกลาจากยาเสพติดเพราะว่าคนที่ติดยานี่มีมาก แล้วก็แนวโน้มก็มีมากขึ้นเรื่อยๆยาที่เสพจนติดก็มีมากมายหลายประเภทแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ติดยานี่มันก็ยังน้อยกว่าคนที่ติดสิ่งหนึ่งนะติดยานี่มันก็มีคนติดไม่น้อยแต่ว่าติดอีกประเภทห น, นึ่งเนี่ยอาจจะมากกว่าหลายเท่าเลย คือติดสิ่งเรานะติดสิ่งเรา้สิ่งเราที่ผู้คนติดนี่มันก็มีมากมายหลายรูปแบบอย่างคนที่ติดการพนันเนี่ยหรือว่าติดการเสี่ยงโชคเช่นรัตตรี่หรือหวยเนี่ยมอ น, นแง่นี่ก็คือการติดสิ่งเรานะ สิ่งเราเนี่ยมันมันให้อะไรนะกับผู้คนนะหรือคนคาดหวังอะไรจากสิ่งเรากนะ็คือความตื่นเต้นนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยปรารถนาจากสิ่งเราแล้วคนที่ติดการพนันก็ดีนะไม่ว่าจะการพนัน บนโต๊ะใต้โต๊ะออนไลน์หรือว่าติดการเสี่ยงโชคเช่นหวยรัตตรีเนี่ยก็เพราะมันสามารถจะเร้าใจให้เกิดความตื่นเต้นได้นะตื่นเต้นตรงที่คอยลุ้นนะว่าจะถูกหวยไหมจะถูรัตตรีไหมหรือว่าจะเล่นได้ไหม มันเป็นความตื่นเต้นที่เรียกว่าทำให้เลือดลมสูดฉีดนะแล้วก็เราใจอ่าเป็นอย่างมากเลยและสิ่งล่ามก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะเกมออนไลน์หรือวิดีโอเกมนี่ก็เป็นสิ่งร้อยประเภทหนึ่งนะ ที่มันให้ความตื่นเต้นกับคนที่เสพคนที่เล่นเกมวิดีโอเกมนี่มันต้องคอยลุ้นแล้วก็มีความจดจ่อใส่ใจเป็นเรื่องการพิชิตเรื่องการเอาชนะนก็เกิดความตื่นเต้นที่พอไม่รู้ว่าจะเจออะไร ไอ้ความไม่แน่นอนไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้าจะออกหัวออกก้อยจ ะ, ะเจอหมูหรือเจอจานี่มันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนแล้วทำไมคนเนี่ยถึงต้องการความตื่นเต้นจนต้องไปหาสิ่งเร้าแล้วก็เสพจนติดส่วนนึ้งก็เพราะว่า จีวิตมันจำเจรหรือว่ารู้สึกเบื่อรู้สึกนายรู้สึกเซ็งซึ่งมันก็เป็นภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนจํานวนมากไอ้ความอยากรวยมันก็มีส่วนนะแต่ว่าความรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อนายพราะมันจำเจเพรามันซ้ำซาก หรือเพราะว่ารู้สึกเฉยเนืยกับชีวิตพอคนเราพอเกิดความสุขแบบนี้แล้วมันก็ทนไม่เค่อยได้มันก็เลยแสวงหาสิ่งเล่าเพื่อที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นเราใจขึ้นมาพอพอเกิดความตื่นเต้นแล้วมันก็มีชีวิตชีวาเลือดลมสูบฉีดนี่โอ้มันก็มีมันก็มีกําลังวังชาง ดัมันไม่ใช่เพาะสิ่งเล่าที่เป็นการพนันหรือว่าเกมออนไลน์หรือว่าลอตเตอรี่หวยมันมีสิ่งเล่ามากมายนะที่สามารถจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนแล้วก็ช่วยทำให้หายเบือ่อหายเซนหายเหงาบางคน อาจจะชอบเสี่ยงภัยชอบผจญภัยเดินป่าปีนเขาอะไรที่มันยากๆ อ, อะไรที่มันมีอันตรายเนี่ยหลายคนก็รีเข้าไปหานหนรวมทั้งการแข่งรถสิงเนี่ยแข่งรถสิ่งนี่มันก็อันตรายมาก แต่ก็มีหลายคนเนี่ยไม่ลังเลนะที่จะถาโถมเข้าไปเพราะอะไรนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความตื่นเต้นมันทำให้ชีวิตนี้มันหายเบื่อหายเซ็งคนเราเนี่ยนะนอกจากปรารถนาที่จะเอาชนะในการแข่งขันละมันก็ เกิดความตื่นเต้นนะเวลาจะต้องเผชิญกับภัยอันตรายเวลาคนเราเจอภัยอันตรายข้างหน้าหรือคาดว่าจะเจอภัยเนี่ยมันก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดรสชาตนะิกับชีวิตจึงไม่ไ่าแปลกใจที่คนไม่น้อยเนี่ยนะ พร้อมที่จะเข้าไปประจนภัยไปเสียงภัยตรงไหนเมียนตรายก็รีดเข้าหาถึงบางคำก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเช่น ย, ยกพวกตีกันเนี้ยคนที่อยู่ในแกงพวกนี้มันก็ช่วกเช่นพวกแกงสมูไรพวกนี้มันก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะแล้วความตื่นเต้นมั น, นก็หล่อเลี้ยงนะ จิตใจให้ตื่นตัวให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่บางคนก็เลือกใช้วิธีที่มันอันตรายน้อยกว่า น, นั้นแล้วก็ทำให้เกิดความพึงพอใจในอีกแบบหนึ่งนะเช่นไปช้อปปิ้งนเนี่ยนพะอเวลาไปช้อปปิ้งตามห้างหรือว่าตามศูนย์การค้านี่สิ่งเล่ายิ่ยยไปหมดเลยนะเห็นอะไรต่างๆก็ตื่นตาตื่นใจ แลพอได้ซื้อนะได้ครอบครอมก็รู้สึกตื่นเต้นหลายคนน่ติดนะติดการชอปนะเพราะว่ามันให้ความตื่นเต้นนะให้ความพึงพอใจแบบหนึง่งแต่บางคนความตื่นเต้นก็อาจจะได้จากโทรศัพท์มือถือนะ อาศัยโทรศัพท์มือถือในการสนองเปลลเปล่ความตื่นเต้นจากการเล่น Facebook จากการเล่น i n s t a g r กรเวลาโพสต์ข้อความหรืออัพโหลดรูปขึ้นไปก็คอยรุนนะว่าจะมีคนกดไลค์มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งนะของคนสมัยใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงการตื่นเต้นที่ได้ไปดูหนังผี หรือว่าได้ไปทำอะไรที่มันน่าตื่นตกใจแต่ก็คอยลุ้นหรือแม้กระทั่งการทำอะไรที่มันท้าทายที่มันทำได้ยากแข่งกันทำสิ่งที่เรียกว่าชันเลนชมันก็ให้ความตื่นเต้นให้ความเร้าใจซึ่งกลายเป็นสิ่งทีนะ่เรียกว่ายอดปราถนาของคน สมัยใหม่เหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะชีวิตมันน่าเบื่อซ้ำซากจำเจทั้งที่มันมีอะไรใหม่ๆมากมายนะให้คนเสพเนี่ยแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอเสพมากๆเข้า มันก็เกิดความด้านชาไอ้การเสพนี่มันก็เป็นสิ่งเราอย่างหนึ่งนะการกินอาหารที่อร่อยหรือการไปผลควายหาร้านที่มีอาหารอาร็อร่อยบางคนก็เป็นคนที่ชอบตามล่านะเมนูเด็ดเ ด, ดก็คอยลุ้นนะว่าจะมีอาหารแบบไหน พอได้กินมันก็เกิดความพึงปอดใจแต่ในก่อนนั้นก็เกิดความตื่นเต้นก่อนแต่ว่าพอเสรมากเข้ามากเข้ามันมีสิ่งเร้ามากอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดาการด้านนะพอเกิดาการด้านก็เกิดความรู้สึกชินชาพอชินชาแล้วมันก็รู้สึกว่าชีวิตมันเนี่ยจือดชืดแล้ว พอจุดชื่อนี่ก็ต้องหาอะไรที่มันตื่นเต้นก็ต้องไปหาสิ่งเรานานาชนิดนะอย่างที่พูดมาซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะมากพันธ น, นาไม่ไม่จบครนี้พอไปพอติดสิ่งเราเนี่ยพอสแสวงหาความตื่นเต้ น, นในการติดไม่ว่าติดอะไรมันก็ไม่เกิดผลดีเท่าไหร่นะ เพราะว่าพอติดมากๆเข้าเนี่ยมันก็เรียกว่าจมกลายเป็นธาตุเกิดจากการหัวปักหัวปั๊มเนี่ ย, ย่างคนที่ติดการพ น, นันคนที่ติดหวยหรือว่าคนที่ติดเกมเนี่ยโอ้หลายคนเนี่ยอการหนักมากนะมันติดความตื่นเต้นจนไม่สามารถจะถอนออกมาได้ถอนมาเมื่อไหร่มันก็รู้สึกห่อเฉียว นันก็ต้องโดบเข้าไปนะอาชีความตื่นเต้นให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายนี่ร่างกายก็ไม่ไหวหรือสุดท้ายมันก็ชืวิมันก็ยําแย่ถ้าคนที่ติดการช็อปเนี่ยเพราะว่าปรารถนาความตื่นเต้นนอกเหนือจากอย่างอื่นด้วยนะอยากจะ มีมากกว่าคนอื่นอยากจะดูดีกับคนอื่นอันนั้นก็เหตุผลหนึ่งแล้วแต่พอไปเสพความตื่นเต้นเข้าไปบ้างๆนี่มันก็ชอบจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินน ะ, นะถอยเครดิตการ์ดหรือว่าบัตรเครดิตมานี่เป็น 10-10 บใ บ, บ, บก็ยังห้ามใจไม่อยู่เนะี่ยยังต้องซื้ออยู่นั่นแหละ บางคนมีเงินนะแต่ว่าก็ยังชอบไปไปลักเอาของจากห้างมาอันนี้ก็เป็นบางทีเขาเรียกเป็นโรคชนิดหนึ่งนะซึ่งมอในงานเนี่ยคือก็ต้องการความตื่นเต้นนะซื้อถ้ามันซื้อธรรมดามง่ายไปมันต้องต้องลักต้องขโมยต้องจิกนะนะมันจะได้ลุ้นนะ นอกจากชีวิตมันจำเจหรือเป็นเพราะว่าเศษต่างๆจนชาชินเกิดการด้านชาแล้วเนี่ยบา ง, างให้ผลก็เป็นเพราะว่าชีิตมันขาดพลังขาดพลังอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่วัยแต่ก่อนมันมีเรา ม, มีแรงมันมีพลังมันมีชีวิตชีวาทำนูน่นทำนี่แต่พอยุบมากเข้ามันก็เริ่มมาเกิดความห่อเหี่ยว ความหอบเหี่ยวส่วนอาจจะเป็นเพราะว่าความอยากมันลดลงนะต่อการมีความอยากความทุยที่ยานไม่ใช่เฉพาะความสําเร็จอย่างเดียวนะบางทีมันรวมถึงความอยากเอาชนะหรือว่าแม้แต่ทางความปรารถนาในทางเพศแต่พอยุ่มากเข้าไอ้ความปรารถนาพวกนี้มันก็น้อยลงพอน้อยลงเขาสึกว่าชีวิตมันหอเหี่ยว แล้วก็ทนไม่ได้กับสภาพที่มันห่อเหี่ยวเฉยเนยเสื่องซึมฉะต้องพยายามหาทางที่จะกระตุ้นให้มันเกิดมีความตื่นตัวจี่อยงน้จากสิ่งเล่าแล้วนี่นะมันมีอีกสองอย่างนะที่มันสําหรับบางคนเนี่ยมันให้ความตื่นเต้นหรือมันทําให้มีพลังทําให้มหีแรงสูบฉีด จะไม่เกิดความตื่นตัวอันนี้คือความอยากนะหรือตัณหาเนี่ยรวมไปถึงราคาด้วยพอมีตัณหาว่ามีราคานี่นะว่ามันเหมือนกับว่าถูกกระตุ้นทั้งกายทั้งใจเลยนะมันทำให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาสอหรับหลายคนเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาเนี่ย มันไม่มีแรงกระตุนนะแต่พอมีตัณหาขึ้นมาตัณหาเนี่ย จ, จะเป็นความอยากได้เงินอยากเป็นที่ยอมรับอยากได้รับคำสรรเสริญก็ได้นะมันไม่มีเรี่ยวแรงทางานแต่บางคนตัณหาเนี่ยก็รวมไปถึงเรื่องของความปัญหาในทางการซึ่งมันทำให้เรื่อรวมสู่ฉีดนะมีเรี่ยวมีแรงมีความตื่นตัวขึ้นมา ซึ่งมันดีก่าความรู้สึกห่อเหี่ยวนั่นก็ต้องพยายามกระตุ้นให้เกิดตันหานะอยู่เรื่อยๆนะหรือมิฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งคือโทสานะไอโทสานี่หรือความโกรธเนี่ยแน่นอนนะมันก็เผารนใจนะจากขณะเดียวกันมันก็เป็นมันทำให้เกิดแรงกระตุ้นได้เหมือนกันคนเราเวลามีความโกรธเนี่ยมันทั้งการและใจมีสุกกระตุ้นเลยนะถูกเล้า ให้ต้องทําอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างเลือดลมสูบฉี่ขึ้นมาทันทีไอ้ความเบือ่อความเซ็งนี่มันหายไปเลยนะเพราะว่าความโกรธนี่มันนะมันมาสร้างนะมันกระตุ้นให้เกิดเรี่ยวเกิดแรงเกิดพลังขึ้นมาสามารถที่จะทําอะไรได้มากมายดยหน้าความโกรธเนะช่นเดียกว่าตันหา มันก็สามารถจะผลักดันให้คนมีพลังทำอะไรเยอะแยะึงแม้ว่ามันจะลงเอยด้วยความทุกข์หรือว่าสร้างปัญหาตามมาแต่หลายคนเนี่ยก็อยากจะได้สิ่งนีน้นะจากความอยากตัณหาหรือว่าโทสะสำหรับคนแบบนี้มันก็ มันทำให้เกิดชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้เกิดพลังขึ้นมาแม้จะเป็นชั่วครู่ชั่วยามและแม้จะก่อโทษนะแต่สรบคนเหล่านี้ก็จะว่ามันดีกว่าดีกว่าชีวิตที่เบื่อเหนื่อยเฉยเนื่อยเซ็งเหงาหอเหยวนะจึงเป็นปัญหาของคนมากมายอันนี้ก็เลยมันก็เลยผลักให้คนไปเสพติดสิ่งเร้า แล้วก็ไปตกเป็นธาตุของอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือถึงแมแ้คนที่ไม่มีความเบื่อความเซ็ง น, นะแต่เวลาต้องการพลังขับเคลื่อนในการทำอะไรบางอย่างเนี่ย mm. ก็คิดว่าเนี่ยมันต้องใช้นี่แหละไอ้ตัวตันหาหรือตัวโลภะรวมทั้งตัวโทสะด้วย เพราะถ้ามีปัญหาไม่มีตันหาลมันไม่มีเร้วแรงทำอะไรมีความเชื่อแบบนี้นะจะทำแล้วต้องมีความอยากนะอันนี้มีเราเคยไดียน บ, ยบย่อยๆทำอะไรต้องมีความอยากทำงานก็ต้องอยากได้เงินอยากรวยนะอยากเป็นใหญ่ไม่งั้นมันไม่มีแรงไม่มีพลังทำงานหรือบางคนเนี่ยเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยแต่ถ้าไม่มีความโกรธนะมันก็ไม่อยากจะขยับนะที่จะทาให ความไม่ถูกต้องนี่มันกลายเป็นความถูกต้องเช่นเห็นคนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีก็ไม่ค่อยอยากจะไปดักเตือนนะบางทีสิ่งที่เขาทำนี่มันก็มารบกวนตัวเองด้วยแต่ไม่ไม่อยากจะพูดไม่กล้าพูดจะพูดก็ต่อเมื่อเกิดความโกรธพอโกรธแล้วเนี่ยถึงกล้าพูดถึงกล้าเตือนถึงกล้าถึงกล้าทักท้วงแต่ว่า ถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตือนหรือทักท้วงแล้วมันกลายเป็นด่าไปเลยนะระเบิดออกมาเลยอย่างี่เรียกว่าปริปริแตกเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นแม้กระทั่งในครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนนะเพราะคนเหล่านี้เข า, เขาคิดว่าเนี่ยมันต้องใช้ความโกรธนะถึงจะมีเี่เหลีพลังในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างทินคิดว่าถูกต้อง แต่ว่าผลลงเอยมันมักจะกลายเป็นความไม่ถูกต้องหนักกว่าเดิมเนะช่นเห็นคนพูดคุยกันในห้องประชุมหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือคุยกันรบกวนในตัวเองเนี่ยก็เห็นว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่กล้าพูดไม่อยากพูดแต่ว่าพอหงุดหงิดมากๆเข้า ต้องรอให้ญหยลนิดมากๆเข้าเนี่ยมันถึงจะกล้าพูดแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นการไปด่าเขาซะแล้วกลายเป็นการสร้างปัญหาทำมาแก้ปัญหาหนึ่งแต่ว่าไปสร้างปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่หนักกว่าที่จริงพลังเนี่ยนะในการกระทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยหลดทั้งสิ่งที่โดยเพระสิ่งที่ดีเนี่ย มันไม่ไม่ต้องอาศัยตันหาหรือว่าโทสะก็ได้นะมันมีพลังที่เป็นกุศลนะที่สามารถจะขับเคลื่อนให้เราเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามรวทั้งทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยเช่นเมตตากรุณาเนี่ยนะเมตตากรุณานี้มันก็เป็นพลังนะมันตรงข้ามกับโทสะเลยบาคนไม่คิดว่าเมตตากรุณามก็ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ เพราะมันทำให้เกิดพลังทน่าะทำสิ่งที่ดีงามการนึกถึงผู้อื่นอยาให้เขามีความสุขเนี่ยมันทำให้เราเกิดพลังในการที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วกเกิดชีวิตชีวาขึ้นมามีคนแก่หลายคนนะันในบ้านพักคนชราเนี่ยที่งอมนะ แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปเยอะไม่รู้จะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะเอาแต่นั่งๆั่งนอนนอนบางคนก็ไม่ขยับเลยอยู่นอนอยู่ในเตียงเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจวางทีข้าวก็ไม่กินยาก็ไม่กินเหมือนกับว่ามันไม่มีพลังที่จะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอรู้ว่าเนี่ยบ้านพระพคนชารานี่ยเขาเอาหมามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ต้องการคนดูแลนี่ บางคนเลยนะจริงไม่บางคนหลายคนเลยที่เคยเฉยเนื่อยไม่พูดไม่จากับใครนะเมือนกับนอนหรืออยู่ราวันตายเนี่ยจู่ๆก็อาสาเลยนะขอพาหมาไปเดินเล่นแล้วเกิดมีเรี่ยวมีแรงเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาที่เคยไม่กินยานไม่กินข้าวก็กลับมากินนะอันนี้มัน พลังมันเกิดขึ้นจากอะไรนะไม่ใช่เกิดจากโทสะเนีแต่ไม่เกิดจากเมตตาเนะี่ยความรักความห่วงใย ห, หมานะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้จักแต่ความผูกพันมันก็พายทําให้เขามีพลังคนเรา ม, มีพลังได้นะด้วยเมตตากรุณาหรือว่าพลังของฉันทะฉันทะคือความอยากนะความอยากเนี่ยมันมี2 อ, อย่างนะ อยากได้อยากมีอยากเสพนตัณหาส่วนชันท่าที่เป็นอยากทำคนไปคิดว่าต้องมีความอยากได้อยากมีนะจึงจะมีเรื่อมีแรงทำงานแต่ที่จริงเนี่ยันท่าคือความอยากทำเนี่ยมันก็ทำให้คนมีเรื่อมีแรงทำบางทีทำได้ดีกว่าอันไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีกว่าเพราะมันไม่มีความเหตุตัวเพราะฉันท่าเป็นความอยากทา อยากทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมานะเห็นบ้านนะเห็นอาคารสถานที่เห็นวัดอยากทำให้ร่มรื่นนะอยากทำให้สะอาดนะก็ลงมือปลนะูกต้นไม้ลงมือนะปัดกวาดใบไม้มันเป็นการอยากทาให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมา หรือให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเข้าถึงภาวะที่ดีงามสมบูรณ์แบบซึ่งรวมนึงทำงานด้วยนะทำงานนี่ก็อยากให้งามออกมาดีไม่ใช่เพราะอยากได้ชื่อเสียงอยากได้คำชมอันนั้นมันตันหาเมื่อคนเราเนี่ยเราก็มีสามารถจะใช้พลังบวกเนี่ยขับเคลื่อนซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดสิ่งดีงาม กับส่วนรวมนะแต่ทำให้ตัวเองนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาห า, หายเบื่อหายเซ็งหายงอหายหอเหยวได้จริงความสุขเนี่ยที่ออกที่มันรวมความสงบก็เหมือนกันนะมันก็ทำให้มีพลังนะคนเราพอมีความสงบแล้วเนี่ยใจมันก็เป็นสุขพอใจเป็นสุขแล้วเนี่ยมันก็ไอความปรารถนาที่จะทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น มันก็เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นพลังที่ทำให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นมามันไม่ไมเป็นต้องอาศัยสิ่งเราก็ได้นะเพื่อที่จ ะ, ะกำจัดความเบือ่อความเสงและที่จริงเนี่ยถึงแม้จะไม่ต้องมีพลังที่เกิดจากตันที่เกิดจากฉันทะหรือว่าเมตตากรุณาเลยหลวนทั้งความสงบเนี่ย ที่จริงเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์พวกนี้ได้นะความเบือ่อความเซ็งนะความเฉยเนื่อยมันเกิดขึ้นแต่มันไม่จาเป็นว่ามันจะต้องบั่นทอนจิตใจของเราถ้าเพียงแต่เรารู้จักมองรู้จักเห็นรู้จักปฏิบัติกับมันนั่นคือเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นมันนะ ความเบื่อมไม่ทำร้ายเรานะถ้าว่าเราไม่ไปจมอยู่ในความเบื่อหรือไม่เข้าไปเป็นถ้าเราเห็นมันนะดูมันนะวางระยะห่างจากมันนะมันก็ไม่ทำร้ายเรามันไม่เป็นต้นจะต้องไปหาความตื่นเต้นจากสิ่งเราโดยเพราะสิ่งที่มันเป็นโทษนะกับชีวิตของเรามันมีวิธีหลายวิธีนะในการที่เราจะ สา ม, มารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ไม่ถูกนะความเบือ่อความเซ็งความห่อเหียเ่ยวนี่มันเล่นงานไม่ว่าจะด้วยการสร้างพลังที่เป็นกุศลนะเพื่อทําให้เราเกิดชีวชีวาขึ้นมาหรือการมีสตินะที่จะดูมันนะไม่ถลําเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นความเบือ่อความเซ็ง ความเฉื่อยเนินมันไม่ทําร้ายเรานะถ้าว่าเรานะวางใจเป็นกลางกับมันนะไม่เข้าไปยึดไม่จมหรือว่าไม่ไปนะผักใสมันแค่ดูมันหรือที่เรียกที่กูบาใจหรือว่ารู้ซื่อเนี่ยเท่านี้เนี่ยก็ทําให้ใจเราสามารถจะเป็นปกติได้ถ้าเราต้องรู้วิธีนะในการที่จะอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ได้ด้วยนะนอกนอจากการพยายามที่จะ าหาสิ่งอื่นมาแทนที่หรือว่าผักสยไล่ส่งมันเย็ น, นี้นพฤหัสบดีนะครับ